พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าเลี้ยงดีแค่ไหนก็ตายในที่สุดเออพวกนาค มาครบสามแล้วนะให้ท่านชัยท่านเกียรดูดูนะฝึกหัดนาคถ้าหากว่าฝึกซ้อมได้แล้วก็บอกนิมนเพระอุปชาเตรียมบริขารในขณะที่ฝึกก็เตรียมบริขารด้วยนะบริขารขาดเหลือขาดตกอะไรบอกมีผู้เจะถวายเยอะแยะไปผู้ที่ไม่ได้บวช ผู้ไม่ได้บวชการมีผู้ใดบวชให้มีพูดมีศรัทธาเยอะแยะหลวงพ่อจะหาผู้บวชให้ไม่มีปัญหาทำบริการมันขาดบอกบาทยี่วอนก็ค่าใช้ใจ่ายอัตราบริการเนี่ยประมาณหมื่นบาทนะแต่ละองค์ทำบริการดีนะของที่ใช้ดีประมาณนัน แต่รวมทั้งถวายอุปชาอาจารย์ด้วยคนนั้นหมื่นกว่าบาทแต่เขาไม่มีปัญหาที่ผู้ที่ฟังนั้นไม่มีปัญหามีผู้อยากจะได้บุญกับการบวชของพวกเรามีเยอะพราะเขาบวชไม่ได้บางทีก็ไม่มีพี่น้องลูกหลานบวชให้แต่ก็ยินดีในการบวชเพราะฉะนั้นเห็นผู้อื่นบวชนะเขาก็จะจัดบริขารให้ไม่มีปัญหา แล้วก็งานบวชของหลวงตาเขาเหมือนกันงานพระราชทานเพลิงสตรีละของหลวงตาที่เหลกพระท่านก็บอกว่าเออเอาอยัางไงหลวงพ่อเรื่องบวชพระจะเอาไหมเราก็อือเพงานมันจุ้งระเกิดเนี่ไม่รู้อะไรตอนนีอะไรเรื่องบวชก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันหลวงพ่อเออตามไม่เจียงก็ เป็นผลดีนะเพราะว่ากุลระบุตรเขามาบวชในงานพระราชทานเพลิงศรีระของหลวงตาเนี่ยเป็นงานที่โด่งดังและเป็นงานที่พวกเราให้ความเคารพ บ, บูชาอย่างสูงยิ่งถ้าใครมาบวชในงานของหลวงตาเนี่ยได้เสียสละหรือว่าอยากจะบวช ด, ดูแต่ไม่กล้าตัดสินใจเอาเถอะข้าพเจ้าจะบวชตลอดชีวิตแต่ว่า ขาวเนี่ยตัดสินใจเลยบวชในงานหลวงตาใชก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับพาลูกพาหลานองคนั้นเมื่อหลวงปู่เลหลวงปู่เลกุสลทะโลท่านไปบวชในงานหลวงปู่มั่นเป็นตปาขาวก็บวชในงานหลวงปู่มั่นงานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นที่วัดสุตทาวาสจะคุณธรรมเจดีเป็นพระอุปชัยยะ ท่านก็ยังระลึกถึงว่านี่บวชในงานหลวงปู่มั่นควรัวรเราบตรของพวกเราบวชในงานของหลวงตาผู้ที่จะดำงรงสงศร์ศาสนาอยู่ต้องมีเพราะนั้นควรจะบวชเอาบวชบวชก็เลยหาอัติบริขารให้ที่แรกก็ว่าบริขารไม่มีรวมพ่อได้สั่งทางโยม เขาก็ขนมาให้เหมือนกันนะเกือบเป็นร้อยองค์บวชคราวนั้นสองร้อยสองร้อยห้าสิบเลยลวงพ่อจะไม่ผิดนะสออยห้าสิบกว่ารูปนะพอบวชจริงๆเข้ามาเลยก็เท่าไหร่พอบวชหลายจุดบวช ท, ที่วัดโพด้วยวัดสุดทาวาดด้วยวัดถ้ำเตาด้วยที่ไหนได้ห ล, หลายแห่งที่จัดจองบวชพระอุปชาไปนั่งแล้วก็บวช เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่หลายองค์อยู่หลายสิบองค์อยู่นี่แหละเรื่องบริขารไม่มีปัญหาที่ไหนก็ทําท่าจะมีปัญหาว่าบริขารไม่มีแต่ที่ไหนได้โอ้บริขารพอรู้จักว่าจะบวชในงานหลวงตาตอนนั้นแหละบริขารไหลามาล้นหลามเลยจะเอาเท่าไหร่นะั่นแู้ที่มีศรัทธาไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาเห็นผู้อื่นบวช ก็อยากให้ผู้ที่บวชเป็นตัวแทนเราเป็นผู้หาบริการให้แล้วกับผู้นั้นเป็นคนบวชให้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันนี่แหละเรื่องอัตบริคารพระพี่เลี้ยงไม่ต้องห่วงแล้วก็มาครบสามแล้วทีนี้นะถ้าทองเอสาหาังได้เมื่อไหร่ก็บวชเมื่อนั้นแหละนะแต่ว่าก่อนที่จะบวชเมื่อพร้อมแล้วก็ควรจะบอกทางญาติด้วย อย่าติโกหติกาอย่าพี่น้องจะมาได้ยังไงมันก็ต้องบอกเตน้นเนินทสักหน่อยถ้าเป็นไปได้วันนี้เป็นวันที่เกมิถุนายนพุทธศักราช2557ห้าบดวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็วัดของเราเป็นส่วนหนึ่ง ทางเจ้าคณะอำเภอน้ำโสมนายงปันผือรวมกันจะไปสวดพระอภิธรรมท่านเจ้าคุณอุดรหลวงปู่อุดรที่ท่านมรณภาพรองเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรที่จะประชุมเพลิงที่จะพระราชทานเพลิงวันที่สิบสี่มิถุนาแต่วันนี้ทางเจ้าคณะอำเภอเขาก็เออนมน์ ในพื้นที่เพราะท่านจุคุณเป็นผู้มีพระคุณแล้วคนในวัดของเราท่านก็เคยมาบวชนะเคยมาเป็นพระอุปชาครั้งหนึ่งตรงตลงพ่อจำไม่ผิดนะท่านมาเป็นพระอุปชาบวชพระให้ที่นี่ลูกศิษย์ลูกหากันเต็มบ้านเต็มเมืองที่ท่านเป็นพระอุปชาให้แต่อายุท่านก็เก้าสิกว่าปีท่านกนะ็มรณะภาพปีนี้ แต่ท่านหลงตามหาบัวท่านก็ให้ความเมตตาอย่างมากนะเพราะท่านเจ้าคุณเป็นผู้มีนิสัยอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้มีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์ที่มีอายุพรรษาท่านให้ความรักเคารพหลงตาให้ความเมตตาท่านเจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณอุดอรของเราเนี่ยแต่ท่านก็ได้กมรณภาพวันนี้ฉันจังหันเสร็จ ได้ยินเป็นสองเหมือนกันแต่ท่านพครูจเจ้าคณะอำเภอน้าโสมมาในมลบอกว่าบ่ายโมงพร้อมกันจากนั้นเราก็จะได้สวดอภิธรรมเสร็จประมาณสักบ่ายสามก็น่าจะเสร็จได้แล้วก็ตอนเย็นจะมีอีกกลุ่มหนึ่งท่านเราไปรวมกลุ่มตอนเย็นคนก็จะมากเกินไปมั่งท่านอาจารย์เราก็เออเอาแท้แต่เราไปตอน กลางวันก็ได้เพราะวัดของเราก็อยู่ไกลหน้าฝนอีกต่างหากทามาได้กลางวันถ้ายังไม่เมืดกคือ ด, ดีถ้าเราไปสวดอภิธรรมหนึ่งทุ่งพอกลับมาถึงวัดกนนู้นสามสี่ทุม่มก็จะดึกเกินไปก็ดีเหมือนกันนะท่านอาจารย์พวกครูหลวงพ่อให้พูดอย่างนั้นจากนั้นมาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่ายังไงหลวงพ่อก็คิดว่าน่าจะ บ่ายโมงไปถึงแต่เมื่อเช้าพระก็บอกว่าทางองค์อื่นบอกว่าทุ่มหนึ่งนะหลวงพ่ออา้าวทำไมมันสับสนตรวจสอบดูให้ดีนะเนี่ยการที่จะไปเราก็ต้องสืบสอบทุกวันสืบสอบง่ายอยู่แล้วถามใครก็ได้ในแวดวงเพราะนั้นสืบสอบดูให้ได้คำตอบนี่แหละอันนี้ก็คือที่พวกเราจะต้องได้ไป แล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็ได้รับปากผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่จัดงานบอกว่าจะทําเมน เ, เมนชั่วคราวแต่ก็จะต้องได้ใช้จตุปปัจบ้างหลวงพ่อหลวงพ่อเออเอาเดี๋ยววันนั้นจะค่อยพูดกันนะเนี่ยะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะได้ไปออกไปสมทบในการทําบุญและสร้างเมนแต่เมื่อท่านมรณภาพหลวงพ่อก็ได้เอา ผ้าไตรไปถวายท่านรอบหนึ่งแล้วละ่ะผ้าไตรจีวรผ้าขาวไปถวายแต่คราวนี้เขาให้เตรียมเตรียมไว้อีกเหมือนกันที่พระไปสวดอภิธรรมพวกเราควรจะมีผ้าไตรผ้าขาวไปร่วมสวดอภิธรรมในวันนี้ด้วยนะนี่แห ล, ละอันนี้ก็คือเรื่องตายง่ายๆเรื่องตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องตายถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายใครจะขี่โมกขี่คุยยังไงดูแลสุขภาพดียังไงออกกำลังกายดียังไงยาดียังไงโดยมากคนเรามีแต่มันยังไม่ถึงคราวตัวเองพรพอถึงคราวตัวเองก็จุดจบหยุดเหมือนกันนะจุดพูดนะ อย่างพวกวายยามะเร็ง่ต้องกินชีวภาพอย่างวชีวภาพอย่างนี้พอตัวเองเป็นมะเ็งเท่านั้นน่ะหายเงียบไปเลยแต่ยังไม่เป็นผู้ได้แต่พอมันขึ้นมาแล้วมันอีกอย่างหนึ่งนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธญาติว่าแก่เจ็บตาย แต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่ออายุ36ปีจากนั้นท่านได้ประกาศพระศาสนาเป็นเวลาทั้ง40กว่าปีอายุ80สปีท่านก็ปรินิพานพระพุทธเจ้าอายุ80ปีนะท่านปรินิพานนะก่อนที่ท่านจะปรินิพานท่านก็ตรวจตรา ดูว่าทำคำสอนของพระ อ, องค์ท่านจุดไหนที่ขาดตกปกพ่องที่ยังไม่ได้พูดได้กล่าวมีไหมท่านก็บอกว่าไม่มีทำคำสอนของเราประกาศบริสุทธิ์บริร บ, บูรณ์แล้วถ้าว่าคนศาสนาอื่นที่จะมาโต ว, วาทะมาถกเถียงเราก็ได้ให้ความรู้หลอบไปแล้ว พร้อมที่จะตอบโต้ได้ทุกคําพูดที่เขาโต้เถียงมาให้คําตอบได้ทุกคําถามที่เขาถามมาเป็นอย่างนั้นจริงๆมาพิจารณาดูนะดูในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาเข้าไปส่วนลึกแล้วโอ้พระพุทธเจ้าตรัสไว้รอบครอบมากรอบรู้หมดทุกอย่างเลยในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาดูนะเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าเราได้พิจารณารอบแล้ว บัดนี้ถึงการเวลาแล้วเราก็จะได้ปรินิพานนะนก็บอกว่าพญามารมาทูลมาในมนพระพุทธองค์แต่พระองค์ก็บอกว่าร่างกายสังขารของเราเนี่ยเหมือนกับเกวียนที่ใช้มานานสำรุดสุดโทมไปตามอายุสังขารมีแต่ไม้ไผ่ผูกกระนาบคาบค้ำไว้จะยืนนาน ไปได้สักเท่าไรนะหร่เนีใครางๆบอกเกวียนที่มันใช่มานานนะเดี๋ยวก็ล้อเดี๋ยวก็ความกรำเกวียนเดี๋ยวก็เผาเออมันชุดแท้แต่มันจะเป็นไปเลยนะจากนั้นก็เอาไม้ไผ่มาขันสนะเอาหวายมาขันนะเห็นกเกวียนโบราณ น, นะต้องใช้ไปก่อนเพราะตัวเองไม่ใช่ช่างใช่ไหมไปซื้อเข้ามาแล้วก็มาขันไว้แต่จําเป็นได้ใช้ แต่บางครั้งกดหลุดมันขาดนี่แหละร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราแก่ขึ้นมาแล้วก็เอายาเขาเขาว่ายาเข้ามาฟังเขาว่ายาก็ต้องตรงอย่างเยาเนะี่ยยาเอาไว้เพื่อไม่ให้มันแตกไม่ให้มันรั่วไม่ให้มันเสียหายยาเอาไว้ยาร่างกายถึงจะยาขนาดไหนก็เถอะนะแต่ถ้าเมื่อตัวของมันหมดสภาพ ในเมื่อตัวถังของมันหมดสภาพแล้วถึงจะยามันก็อยู่ไม่ได้เองเหมือนกันเพราะเหมือนกับกระป๋องของเราเนะี่ยกระป๋องของเรามันหมดสภาพแต่เราจะเอาอะไรมายาที่กระป๋องหมดสภาพแล้วเนะ่ะเพราะตัวถังของมันพาลดตัวยาเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรเนะนี่ยผลี่สุมันกับพังไปด้วยกัน น, ะนั่นนะ่ะเนี่ยนละร่างกายของเราเนะี่ยถึงใครจะโม้จะคุยขนาดไหนก็เถอะ อีกสักวันหนึ่งถ้าอยู่ไปนานๆกนะ็อย่างที่หลวงพ่อพูดนะเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดไล่ไปเรื่อยๆหนังเหี่ยวหลังค่อมปวดรู้สึกไปไม่ได้พยุงพยุงหน้าพยุงหลังต่อมากับพยุงไม่ไหวอีกเหมือนกัน น, ะนอนอยู่กับที่ก็พยายามพิกปวกเป็นแผลกดทับเวลาเขาพิกให้ก็ร้องโอยร้องไออีกต่างหากเพราะมันเจ็บยังมีความรู้สึกอยู่ จากนั้นก็นมีแต่ลืมตานะจากนั้นสุดแท้แต่เขาจะเอาน้ําข้าวน้ําอะไรมาหยอดเอาอาหารไม้ทางสายยางอย่างนี้เป็นต้นเพล่เพลยังไม่ปัจวะออกตามที่มันเคยไปต่างหากออกทางหน้าท้องอีกนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของเราเ น, านี่ย เ, นะ เ, เป็นอย่างนั้นจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเอาความจริงมาพูดนะเอาความจริงมาพูดเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้เพราะนั้นร่างกายของเราเนี่ย มันถึงจุดจบนะอย่างที่เจ้าคุณอุดรเนี่ยนะท่านตายไปเนี่ยนะเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นอายุของท่าน9 1 1ปีเพราะ น, นั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เป็นความชั่วอย่าทำพอทำไปแล้วจะทำให้ตนเองไม่สบายใจทาให้ตนเองเป็นทุกข์ใจเดือดร้อนเมื่อภายหลังแล้วกรรม กรรมชั่วแต่นั้นจะเล่นงานเราต่อไปอีกถึงังไม่สบายใจก็เถอะเมื่อทำไปแล้วแต่กรรมมันยมันจะเล่นงานเราอีกสิ่งที่มันไม่ดีจะเล่นงานเราเราจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลงพ่อเคยย้ำอยู่เสมอว่าเราไม่ได้เอาความตายมาขู่กันนะเพียงแต่ว่าพวกเราสนุกสนานเพลิดเพลินเลินเล่อเกินไปเราก็เลยเอาความตายมาเล่าให้ฟัง อย่าหลงนะ เ, เหมือนกระรลงมันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปมันลืมตัวเองเลยว่าตรงนี้คือตรงไหนแต่เจ้าของเขาจับโซ่ขึ้นมาจับโซ่ขึ้นมาเขย่าโซ่นะเอาไม้เรียวตีกับพื้นเอฮอย่านะเลียงนะอย่าคึกขนองนะโซ่มัดนะเลิงตัวนั้นก็นสยบลงอืมสําลึกตัวได้เออจำเลิกตัวเลีงสํานึกตัวงั้นแต่ไม่กระโดดโลดเต้น เกินไปอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราใจของเราถ้าไม่ระลึกถึงความตายเนี่ยมันโลดโผนก็โดดโลดเต้นในจักรวาลนีมันลืมตัวต่อพอระลึลกถึงความตายเออีกสักวันหนึ่งนาะแมรณาภัยนะใจของเราย้อนกลับมาหาตัวเองสิ่งไหนควรจะทำสิ่งไหนควรจะดำเนินสิ่งไหนควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรมใจของเราก็กลับมาหา ที่เก่าสํานึกได้นะต่อไปก็สํานึกไปเรื่อยๆก็เป็นคนดีแต่ในสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ทําไม่ทําไม่คิดไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อทําสิ่งที่ดีเราก็สบายใจแต่เมื่อสบายใจคนที่มีความสุขใจหรือคนที่บริสุทธิ์ใจรู้ใจบริสุทธิ์นั่นแหละมีแต่สุขคติเป็นทางไปแต่ใจของเรากระโดดโล ด, ดเต้นทำไปเรื่อย ไม่ได้ลึกถึงความตายมีแต่ลุ่มหลงมัวเมากับกิเลสราคะโทสะโมหนะมีแต่ความช่วนมารลุมมาตุ่มเราเพราะ mm hmm. น, นั้นจึงเห่านี้จึงได้ธรรมะเป็นยาขมแต่ทานเข้าไปศึกษาเข้าไปแล้วใจของเราสบายเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศึกษาธรรมะแนวความคิดของพุท ธ, ธะนะต่อนนี้ไปรับผ่อนอนุโมทนาให้พรอน